จิตสมบคือจิตที่เป็นสมาธิจิตที่เป็นสมาธิหนึ่งท้าให้จิตเชื่อมมันไม่รวดเร็วรวดคลาดโดยที่เราสติไม่ทันปัญญาไม่ทันเนื่องจากว่ามันมีฐานอยู่จิตมันมีฐานอยู่ฐานของมนันก็คือความสมบนั่นแหละเขาเรียกฟุไปฝึดไปฝุดไปเราจะทราบว่า มันมีเป็นพื้นเป็นฐานแนบแน่นอยู่ในหัวใจของเราในปกของเราเราดูเราจะเห็นเองมันเชื่อมมันเชื่อมคล้ายๆว่ามันอยู่มีสติกํากับอยู่มีสัมมัญญะกากับอยู่จิตมันเชื่อมอยู่จิตมันไม่รวดเร็ ว, วพรวดพระวิ่งคลั่พาหุกตาเห็นอยู่แต่มันไม่สวดพลาดไปตามอารมณ์กิเลส กมได้ินอยู่แต่มันไม่รวดพลาดไปตามอารมณ์พิเรนสมูกลิ้นกายจิตก็เมันกัมันได้สัมผัดสัมผัสอยู่แต่มันไม่รวดเร็วรวดคลาดมันเป็นตัวของตัวอยู่จิตมันยังเป็นตัวของตัวอยู่โอกาสที่จะเป็นไปตามอำนาจของพิเรนนี้เพราะฉะนั้นมันเชื่ออยู่กับทางความสงบของจิตมันเป็นมันทำให้จิตเชื่องเชื่ออยู่กับอารมณ์ จะอย่างบาคนมีราคะจริตอเนี้ยคือชอบประพฤติตามหลักฐานพอตาเห็นรูปรั๊บหูได้ยินเสียงปั๊บัีกราค์ก็เริ่มขึ้นมาทันทีราคะก็เริ่มขึ้นมาทันทีหากขาดการฝึกข า, ข า, ขาขดขาสติขาดสัมปชัญญนะนั้นราคะเนี่ยก็เริ่มปุบปับขึ้นมาทันทะีเลยแต่ถ้าจิตมีความสนุกมีสมาธิเนี่ย มันไม่พุ่งตามนามันอยู่ลึกนะมันไม่พวดพลาดขึ้นมาเนี่ยจนจนเจ้าของเนี่ยจับได้ทันรู้ได้ทันแล้วก็อยู่ในการรมุนของเจ้าของเขามาเจ้าของในไรจะนี้เร่าใช้คำว่ามาก็หมายถึงสติคือส ม, มยยิธัญญาเจ้าจิตเจ้าันจำจิตอยู่แทนที่จิตจะวิ่งพวดพาดมาครับอารมณ์ราคาเนี่ยมันไม่ออกมามันอยู่ลึก มีสจิตที่มีสมาธิมันมีความมันมีมันมันทําให้จิตเชื่อมเชื่อมเพราอะไรเพรามันอยู่มันอยู่กับเชื่อมที่เราบั้นมันคือสติคือสัมผัสัญญาเนี่ยสติสัมผัสัญญามัดเข้าไปมัดเข้าไปมัดเข้าไปให้เชื่อมจิตมันก็สงบมานสงบมันมีพื้นอยู่มันมีฐานอยู่มันแบบเชื่อมที่เราบั้เนี่ยจะอย่างคนที่มีราคะจิต ไปทูกภาพเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิไม่เคยมุดขนอโบสถเลยจิตที่พัวพ่ายเข้าหาเกิดราคะเกิดตัณหาเกิดอะไรขึ้นมาพัวพ่ายทันทีประกอบพูดอะไรตามมันทันทีราคะจริตโทสะจริตขึ้นเชยนเดียวกันถ้าหาไม่มีสติไม่มีสมาธิเป็นพื้นเนี่ยพัวพรายก็คือพัวพ่ายที่ขึ้นมาโมโหตอโสขึ้นมาทันที แต่ถ้าเิดมีสมาธิมีความสงบเป็นพื้นเป็นบารเป็นฐานเนื้ฐานแนบแน่นหนึเนี่ยมันจะไม่พรวดพราดออกมานะไม่พวดพราดออกมาอันนี้เราสังเกตดูได้เองเนี่ยไม่ต้องไปไม่คนหนึ่งถ้าคนหนึ่งพูดนีเข้ากับที่เราเป็นเี่เราก็พ๋อทันทีแหละมันจะไม่พรวดพลาดขึ้นมาสักทีมันอยู่ลึกมันไวมันไวต่ออารมณ์เคาว่าไวต่ออารมณ์ก็คือมีสติคือมันทางปัจจุบัน เมื่อมีสติมีสัมผัญญัจฉนปัจจุบันกิเลสแทรกมางไม่ได้คนที่เป็นราคะกิเลสก็ตามโทสะกิเลสก็ตามกิเลสแทรกมางไม่ได้ทําไมมันแทรกมางไม่ได้เนื่องจะกว่ามันเชื่อมกับเจ้าของเลยเจ้าของคือสติคือสมัมผััจฉันไม้ไม่อยู่โอกาสที่สติโอกาสที่กิเคือผู้รู้วิม่มันจะวิ่งพรวดพาดเทอาเลิศเทาล่ามาใหม่ใหม่มันไม่มวิ่งพรวดพราดเทอาเลิศเท่าเล่ามา เพราะฉันมีอุปการะคุมขับขิตมากทีเดียวกาที่เราฝึกขิตให้ได้รับความสงบอย่างที่เราบอกนั่ะผู้ที่มีราคะจริตเลยโอกาสที่จะพูดพลาพออกมาก็ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีในสุขะในสุขะฉลอได้ยุบได้ท้อสะจริตก็ฉลอได้หยุบได้ถ้าไม่มีสมาไม่มีสมาธิเป็นพื้นกันบาทเป็นฐานพูดทลา ตัว่าขึ้นมาทอซาขึ้นมาทันทีมโหทอโสค น, คนพูดก็พูดคนดูกคนมาก็ว่าคนชกคนตีคนต่อยคนอะไรก็พวดฆ่าออกมาทันทีเนี่ยคือจิตไม่ ม, ไมีมีสมาธิไม่มีอะไรเ็นเครื่องบังคับไม่มีอะไรเนเครื่องยับยัง้งราคะจริตทะซาจริตมโหรจริตก็เช่นเดียวกันมโหรจริตก็ต่อไปโดยอ น, นุมัยมโหรจริตเย ราคะาจริตโสดจริตโมหจริตวิตโตจริตวิตโตจริตวิโตรจริตคือความตึงนึกคิดอะไรก็นึกคิดไปอย่างนี้เหตุมีผลมีสติมีสัมผัจัญญร์าำกับควบคุมดูแลพุทธจริตคือชอบนึกชอบคิดตามความรู้ตก่าความเข้าใจในเมื่อมีสมาธิมาเป็นเครื่องมืออยู่แล้วก็เป็นไปได้อย่างอย่างละเอียดล่อศรัทธาจริต ศรัทธาจริตก็คือมีสติมีสัมปจัญญะรวมประกอบไปด้วยสมาธิเป็นพื้นเป็นบาเป็นฐานแทนที่จะรูปหลงไปโดยขาดเหตุขาดปัจจัยขาดเหตุผลอย่างหนึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้คำว่าศรัทธาแปลว่าความเชื่อความเชื่อความเ ช, ชื่อที่ขาดการไต่ตรองขาดสติขาดสัมปจัญญะเนี่ยแก่เหตุให้เราเนี่ยหลงเพลินกับความกับความลุ่มหลงได้โดยง่าย แต่ถ้มองเม่อเรามีสมาธิเป็นเครื่อง ย, งอยาำๆเนี่ยสมาธิที่ทกากับไปด้วยสติกกำกับไปด้วยสัมผัสัญญาก็คือมีปัญญาอยู่ในตัวพอที่ทจะพิจารณาวิจิตรไข้ควรว่าอะไรจะเหตุอะไรเป็นผลอะไรอย่างไรถ้าเราเอาไปเทียวเพื่อประกอบกับจริตมันก็มีผลที่จะทําให้เราเราเราทราบซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันเป็นใจจริตของเรา ราคะก็คือการแสดงของขนิรันรออกมายังอย่างโดดเด่นนะคร<ม>ับราคะโทสะก็ออกมายังโดดเด่นโมหะ ก, ก็ออกมายังโดดเด่นถ้ า, ากเราไม่มีสมาธิก็ทําให้เราประพฤติตามมันได้อย่างง่ายได้พวกไราราคะาขึ้นมาทันที<ม>โทสะขึ้นมาทันที โมหากลงหลงเพลินไปกรบมันไม่รู้จับผิดไม่รู้จับชอบไม่รู้จับชั่วไม่รู้จับดีลงเพลินน่ะลงเพลินไปให้เกิดราคะลงเพลินไปส่วนกิดโทสะเลยนรวมไปถึงอิจชายสยาญอาคาตพยาบาทอะไรสรารพัดที่จะพึงตามมานล้วนแต่จะเป็นสิ่งที่จะทําให้เราประพฤืชลงไปแล้วเนี่ยนำแต่ทุกข์แต่โทษมาให้เราไม่มีจุด นี่คือความสุบูของจิตสามารถที่จ ะ, จะระงับยัอย่างได้ความสุขความชุ่มเย็นอันนี้ก็หล่อเลี้ยงจิตของเราให้มีให้มีอยู่ให้เป็นอยู่ให้ชุช่มฉ่าให้เต็มตื้นให้หนักให้แน่น ม, ม่เหตุมีผลก็กลับไปโดยโดยโดยอัโนมัติจิตคําว่าจิตจิตอย่างเดียวนี่จิตอย่างเดียวนะเรยว่าผู้รู้ผู้รู้ แล้วผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่มีคุณสมบัติคือไม่มีสติสมบัติไม่มีสัมผัสัญญาสมบัติไม่มีปัญญาสมบัติมีสติสมบัติไม่มีสัมผัญญาสมบัติไม่มีปัญญาสมบัติก็เหมือนกับความรู้ทั่วๆไปรู้ไม่รู้ว่าผิดไม่รู้ว่าชอบไม่รู้ว่าชั่วไม่รู้ว่าดีว่าแต่มีความรู้กำเริบขึ้นมาก็ประพฤติตามความรู้ทันที เราพูดทาความรู้ทันทีเหมือนอย่างคนคนที่คนเฉลีคือคนบ้านคนทนี่คนเฉลี่ยคือคนบ้าเนี่ยเขาก็มีจิตเหมือนกันมีจิตคือผู้รู้เหมือนกันแต่ทําไมเขาถึงทำอะไรได้สารพัอ่ะหัวเราองก็ได้ร้องไห้ก็ได้ทําอะไรได้สารพัดแก้ผ้าแก้ผ่อนแก้อะไรก็ได้เดินทำการาวขู่ชนไม่รู้จัก ไม่มีบรวิยะไม่มีความลายไม่มีอะไรประดับว่าจะมีความอยู่ขึ้นมามีความอยูขึ้นมาหาเดินหิกินเจาะกินอยู่ตามทั้งขยะร็มีอยางที่เราเคยเห็นนั่นแหละเขาเขามีจิตอยู่แต่จิตที่ม่มีสติกำกับไม่มีสัมผัญญักกำกับไม่มีปัญญากำกับเพราะฉะนั้นจิตประเภทนั้นคือจิตที่ขาดคุณสมบัติเพราะฉะนั้นคุณสมบัติ คุณสมบัติต่างๆอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากจิตนั่นแหละอเกิดขึ้นมาจากจิตนี่แหละสติก็เกิดขึ้นมาจากจิตฐานสัมผัสัญญาคือความรู้ตัวก็เกิดขึ้นมาจากจิตปัญญาคือความรอบรู้ก็เกิดขึ้นมาจากจิตนี่คือคุณสมบัติคือตัวผลักดันให้เกิดให้เกิดปัญญาเพื่อที่จะรักษาจิตให้ไปให้รู้จักผิดรู้จักชอบรู้จักชั่วรู้จักดี รู้จักขีดรู้จักถูงรู้จักละรู้จักวางมีคุณสมบัติของจิตแต่ถ้าหาไม่มีคุณสมบัติก็เหมือนออโดยเฉพาะอย่างมนุษย์เราก็เราก็ดูสินับตั้งแต่คนที่ฉลาที่สุดฉลาที่สุดไปถึ ง, งโง่ที่สุดนอกจากโง่ที่สุดแล้วก็ถึงขั้นว่าเป็นบ้าเป็นไม้วิกลจริตไม่รู้ผิดชอบชั่วดีมีจิตขป้นกลาท่านั้นแล้วก็ย้อนไปที่สัตว์ยัง ม้าเนี่ยเขาก็ามีจิตคือมีผู้รู้กันดูดิหมามีรู้ไหมแม้แต่หมาที่เราเลี้ยงเองเราพูดคุยกันเขามันบางทีเขายังรู้เรื่องไปเรียกเขาเขายังรู้เรื่องไล่เขาเขยังรู้เรื่องบอกเขาเขากยังรู้เรื่องแต่เขามีความรู้มีสตมิมันจะน้อยแค่ไหนเนื่นองจากกรรมของเขามันไปจำกัดจากนั้นจิตของช้างของม้าของหมู ของเป็ดของไก่ของอะไรนะ ม, มันมีจิตด้วยกันทำงานแต่มันเป็นจิตที่ตกอยู่ในภาวะที่ว่าเขาต้องรับี่บากกอ ร, รมอเกีย่ยว่าต้องไปเกิดในในอบายในภูมิของสัตวไร่ฉันนี่ก็ถือว่าเป็นภูมิของอบายคําำอาบายเหี่ยความความเจริญญาโอกาสที่จะได้ประกอบคุณําความดีเป็นไปได้ยากท่านจิตใช้คําว่าอบายอบายภูมิ ภูที่หค า, าความเฉลียไม่ได้หาความเกลียดยากสตร์ิริชานี่มันก็อยู่ร่วมโลกกับเราแล้วนักพวกเปรตเขาก็อยู่ร่วมโลกกับเราเียแต่เรามองเขาไม่เห็นสารนรกก็อยู่ยง ม, มรรคเปรตสารนรกอสุรกายบริวารที่ที่อยู่ร่วมโลกเราทั้นเราเนี่ยก็คือศาสตร์อิริชาสัตว์ต่างๆเหล่านั้นมีจิต ด, ด้วยกันดังนั้นแต่หากว่าจิต ไม่ม so hum ีคุณสมบัติคุณสมบัติของเขามีอยู่แค่นั้นจำกัดแค่นั้นเนื่องที่ว่าเขาได้สร้างเวรสร้างกรรมต้องไปได้รับชดใช้วิบากกรรมจากัดแค่นั้นถ้าเราย้อนไปดูถึงสัตว์น้ำน้ำเหล่านั้นแล้วก็ย้อนมาดูถึงคนซึ่งอยู่ในเพศแหนเพราะว่าเหมือนกับเราเนี่ยผู้หญิงก็เหมือนกับเหมือนกับพวกเราเพศชายเพศหญิงก็เหมือนกับ อที่เรามีเราเปลี่ยนเพศชายก็เหมือนอย่ยงอย่างที่เรามีเราเปลี่ยนที่เรามองเห็นกันเนี่ยบางคนก็บาปไปมีควนจิตทําไมถึงบาปไปมันทําไมถึงมิควนจิตเนื่องจากว่ามีบาปมีกรรมติดตัวบาปกรรมทั้งนี้นะเราจะพูดตาหรับของธรรมก็คือการอ่าที่ประพฤติผิดศีลอะไรเช่นอย่างกินเหล้ากินเหล้าเป็นเหตุให้ ขาดปัญญาขาดความไตรตรองขาดความย้ำคิดเพราะว่าเพราะว่าขาดสติขาดสติสัมปชัญญะเมื่อบริโภคจนเคยช่อนินเป็นกรรมที่กระทําจนเกลื่อนฉินกรรมอันนี้ก็เป็นกลายเป็นบาป ก, กรกรรมอ น, นี้ก็จะส่งผลทําให้เรากลายเป็นกลายเป็นคนขาดสติขาดสัมปชัญญะกลายเป็นคนม้าบ้าบอบบอหรือเป็นคนไปกลัน่นแกล้งอะไรอย่างใด อ, อย่างหนึ่ง เก่าคนอื่นกัาสัตว์อื่นเป็นเหตุให้เราต้องรับกรรมอันนี้เพื่อเป็นการมาไปจารให้เราได้รับความปลอดัยได้เาความทุกข์ได้เราความท ร, ร ม, มานจากนั้นมาก็คือมีสติมี ส, ต, มสติดีตามปกติแต่ก็ไม่ฉลาดมีสติดีตามปกติแต่ก็ฉลาดมากลางๆปานกลา ง, าลางมีสติดีเป็นปกติแต่ก็ฉลาดที่สุดฉลาดที่สุด ได้ยินได้วามได้รู้ได้เั้ใจได้เร็วผมวิญยาที่ระพุทเจ้าตัสเทียวว่าปกติตันอยู่วิจิตันอยู่ในยักษ์ใยักษ์ปทัพปรมะปกติตันอยู่ก็คือผู้ที่ฉลาดรวดเร็วพร้อมที่จะคบคิดปัญหานเคร่องปูโผล่ได้ ท, ทันท่วงดีปกติตันอยู่วิจิตันอยู่ก็ได้แก่กลางกลางมีจิดอยู่จำีดมีความร่้ความฉลาดแบบกลางกลาง ถ้าทจะเที่ยวผมก็ดอกบัวที่สมือน้ำถ้าฟังหาดฟังทำเขาพร้อมที่จะถูถ่ายไปมาฟังซ้ำๆแําวซ้ำแล้วซ้ําเล่าออกพร้อมที่จะรู้ที่จะเข้าใจได้แต่ประเภทที่เหมือนอุปติกานอยู่นั้นเหมือนดอกบัวที่โผล่น้ะถ้าได้ยินได้ฟังอัดทำก็พร้อมที่จะบานขึ้นมาทันทีเหมือนดอกบัวที่ตองแสนราตรีก็ได้รับบานขึ้นมาทันทีได้รับไออุ่นได้รับความอุ่นจากนวงทิต ก็บาลขึ้นมา ท, าทันทีคำว่าบาลในทีน่นหมันความว่ารู้ทำามเข้าใจคำเข้าใจธรรมตรัสรู้ธรรมทติการอยู่มีจิตการอยู่เนยยะเนยยะก็คือประเภทที่ว่าวิจิตจุงก็ก็ยังไม่ฉลาดไม่ฉลาดคือโง่มากกว่าไอ้กันกลางอีกิตรพอได้ยินได้ฟังซ้ำซ้ำซักซักทุูุไรไถขัดเกลวและขัดแล้วทำเล่าขัดแล้ ว, ล ว, ลวขัดเล่า พิจารณาและพิจารณาเล่าพิจารณาไขชวนไป่ตรองเหยุผลน้านเหตุผลเล่าก็สามารถเข้าใจได้กุติตนูนวิปปิตนูนเนยะยะธิปทัทภ p a ม a m a ปัทภ p a r ม m a ถ้าเราจะเทียบก็ได้แก่พวกบ้าไม่พิกลพิการนี่แหละทำลายไม่รู้เรื่องไม่รู้เราไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ต้นปลายก็คือคนบ้ายังอยู่ในภาวะเดิมในสภาพเดิมเดิมนั่นแหละ ถาจเทียบกับดองบัก็คือดองบัวที่มีในโคลนในต้มเป็นยอด อ, อ, อ, อ่อนๆมองสลับไปเป็นอาหารเต่าอาหารปลาเปรียบเทียบไว้อย่างนั้นนี่คือความความรู้ของจิตเรามีความรู้เหมือนกันแต่ว่าคุณสมบัติของผู้รู้นั้นจะแตกต่างกันเหตุใกล้เคียงที่เราพอจะทําให้เราทราบได้ว่าทําไมคุณสมบัติต่างๆนั้นจนึงแตกต่างกันก็เนื่องจากกรรมนั่นเองกรรม การที่เราสร้างมาแตกต่างกันนับตั้งแต่พระธรรมะก็ขึ้นมาเป็นเนยยะอมีคามรู้มีความสามารถพอพูดถายไปมาแล้วก็พอเป็นก็ได้แล้วกแบบกลางๆวิปจีตันยูได้ยินได้ฟังก็ไปได้รวดเร็วกว่าอพระทัรมกว่าเนยยะแล้วก็วุปจิตันอยู่รัรวดเร็วกว่าคนอื่นก็นื่จาว่ากรรมที่ ต่งสมมาสร้างสมมาสติปัญญาปรมัชฌางสมมาแตกต่างกันนั่นเองการทั้ใจศึกษาการนําใจปฏิบัติขัดเกลากการสนบอกสนใจแล้วการลีกเว้นจากกรรมมันจะเห็นมัวเมาทําให้เรามีความประมาทประมาทในการสลายหนาปัญญาเพื่อให้เกิดความรู้กเกิดความเข้าใจ่ในเมื่อไ ม, ไ ม, ไม่ประมาท แม่สรรมะก็มีความามุตสาพยายามขยันเหมือนเพียรในการสังหารปัญญาก็เกิดขึ้นได้เร็วขยันกลางกลางก็ได้กลางกลางขยันเติมลงไปก็ได้เติมลงไปอีกและประเภทที่ว่าเจ้าอาหารเ ต, ต่าอา้ารปลาก็อาจจะมีความขยันนิดหน่ อ, นอยแต่ก็ไม่พอจะได้นนเรื่องไม่ราวได้ผลเลยท่านบอกว่ามีโอกาสที่จะเป็นอาหารของเต่าและปลาประทัดประมัเป็นผู้มีบทยังงิ่ง เป็นผู้หนาเป็นผู้ปูนพองสันเด็ดจนไม่สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้ดิฉันเทียบความรู้ความรู้ในที่นี้คือผู้รู้คือจิตผู้รู้เนี่ยก็ตผู้รู้คือธาตรู้พวกเรามีธาตรู้ด้วยกันทุกคนครู้รู้อยู่เนี่ยอายู่ในตัวของเราเราครอบครองอยู่เนี่ยเนี่ยว่ า, าเราเราเราก็คือผู้รู้เราเนี่ยแหละว่าเราเราเนี่ย ร่างกายมันไม่รู้เรื่องหรอกร่างกายมันเป็นรูปธปรรมนามธรรมคือจิตนี่แหละว่าเป็นผู้รู้ผู้รู้จิตนี่แหละมีผู้รู้มีท่ารู้ด้วยกันทุกคนนักยศว่าเขา้อันนี้เราได้มาสําสมบาขัดเกลามาแตกต่างกันมันถึงมีความลดหลั่นไปแตกต่างกันอย่อยางนี้เนี่ยเพราะฉะนั้น เราจะธาตรู้อันนี้เราจะเอามาใช้ประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ก็คือมาจำรักมาขัดเกลาเพื่อทําลายความลุ่มหลงเราจะทําลายความลุ่มหลงต่างๆเหล่านี้เราจะต้องสร้างคุณสมบัติให้เขาคือข้างสร้างสติให้เขาสร้างปัญญาให้เขาสติปัญญาปัญญาจะเกิดขึ้นมาได้จะต้องอาศัย ส, ส, สมาธิสติสัมปชัญญะ เ, เห็นได้ได้ได้ไดสมาธิจะ เ, เห็นได้ได้ปัญญาคือมีความรู้มีความเฉียบวัมีความรู้เข้าใจในเรื่องของเหตุของผลว่าเหตุอันนี้มาจากเหตุอันนี้จะเป็นไปทพืวผลันนั้นผลอันนั้นเป็นผลมาจากเหตุนี้เราเข้าใจเราเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับเหตุกับผลโดยโดยฉับวัก็สามารถทำให้เราเนี่ยเข้าใจสามาธิได้ง่าย เข้าใจครับว่าสมุนไพรพ อ, พอที่จะย้อนไปดูสาเหตุที่ใช่เกิดพุ่งถึงง่ า, งายมีความสะดวกสนใจในข้อปฏิบัติใ น, นเมื่อทําออกตั้งใจขวนขวายประพฤติปฏิบัติมากๆเข้าเมื่อสมุนไพรดับไปเกาเป็นเหตุเกิดที่โรคขึ้นมาได้จชำระกัดกราบให้จิตเพื่อทำลายความรุ่มหลงเนื่องแต่ว่าจิตรุ่มหลงนั่นแหละห จ, จึงเป็นเหตุเป็นยึดเป็นติ อุปาทานกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องกับรูปอุปาทานในรูปเกี่ยวข้องกับเสียงก็อุปาทานในเสียงกับกลิ่นกับรสกับสัมผัสกับธรรมารมเกี่ยวข้องกับอะไรก็อุปาทานยึดถืออุปาทานในสิ่งเนั้นแหละเนื่องจากว่าไม่รู้ไม่เข้าใจอรู้สึกยากตั้งชงเทียบว่าเหมือนเป็นยางเหนียวเป็นยางเหนียว ยางเหนียวเหมือนเหมือนกับว่าเป็นกาวเหนียวๆนัน่นแหละอะไรที่มันมาอยู่ใกล้ๆเนีงฟูเข้าใส่กล้พร้อมที่จะติดทันทีอเป็นฝุ่นละอองธุลีต้าเป็นของละเอียดต้องเป็นฝุ่นธุลีละเอียดเป็นฝุ่นธุลีที่ยาวพอมันฟูเข้ามาใกล้ๆกล้วพร้อมที่จะติดทันทีอันนี้เราประมาเหมือนกับว่าอ่าไม่เตรี่ยนแฉะไปด้วยด้วยของเหนียว ตัณหาถ้าเรียกว่าท่านตัณหาภ า, ายในจิตทั้งหลายยางเหนียวยางเหนียวมันเป็นยางเหนียวยาเหนียวอันนี้มันพร้อมที่จะเกาะที่จะติดฝุ่นผู้หลี่รองที่จะพัดผ่านมาแล้วก็วมาเกาะมาติดแล้วก็ยาเหนียวตัวนี้พร้อมที่จะไปผุดไปเกิดอีกได้ถ้าหากยังไม่หมดเชื้อคือตัณหาภายในจิตตัณหาภายในจิตมันเกิดความรุ่งหลง ม, มารงพร้อมๆกับผิดตั้งแต่เมื่อไรเราก็ไหมครับ พอเกิดขึ้นมาแล้วก็ทําให้เรามีราคะมีโทศ์แล้วก็มีโมหะแล้วก็อันนี้แหละคือพิษสงที่จะทำให้เราได้ครับความทุกข์ความยากความลาบาก เ, เป็นทุกข์เป็นโทษตามางไปพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสรู้สมาสมอวปุถยายด้วยบุญญาบารมีเสรยแล้วพระองเข้ามาที้แ็งบอกสอนเปิดเผยธรรมะ สิ่งที่เป็นเหตุสิ่งที่เป็นผลขึ้นมาให้พวกเราทราบและตั้งใจปฏิบัติตามเนื่องจากว่าผลของที่เลด้วยะทาให้เราได้รับความทุกข์ทำให้เราได้รับความทุกข์ความทุกข์เป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นสิ่งที่เราเป็นสิ่งสิ่งที่บั้นจิตใจของเราเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเราหมืน บอดสีตันทุกทรมาณดิ้นเท่าไรก็ไม่ยอมหย่าดิ้นเท่าไหรก็ไม่หย้ดเพราะฉะนั้นเป็นภาวะที่เราไม่ชอบเป็นภาวะที่เรากดได้ยากทนได้ยากต้องดิ้นต้องรบต้องขวนขวายเพื่อลุกเพื่อรอดไปได้อพระองค์ดิ้นก่อนแลต่ลลอไปเสร็จแล้วก็หมาะสอนตัวเราให้ไปตามหนทางที่ตรงคนความมาแล้วแล้วก็ได้ผลมาแล้วเพราะฉะนั้นตรอง ได้มนุษย์เป็นตัวสัมมาสัมโพธิญาณเข้าใ น, นหลักอริยสัจทั้งสิคือกอบภูเขาบอกทุกข์กทั้งหลายทั้งปวงเกิดแก่เจ็บตายต่างๆเหลนี้เกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เหตุนี้เหตุคำว่าเหตุนี้ในที่นี้ก็คือมันมีเหตุเกิดความทุกข์คือความเกิดเกิดขึ้นมาจากเหตุเหตุก็เป็นพอเกิดขึ้นมาแล้วความเกิดก็เป็นเหตุให้แก่ เกลียดให้เก็บแล้วก็เป็นเหตุใตายตัวแก่เก็บตายนี่เปินเป็น เ, เป็นเป็นรูปธรรมแต่รูปธรรมอันนี้รูปธรรมอนี้เป็นผลมาจากนามธรรมนามธรรมก็คือที่เหลสภายในจิตจิตเป็นนามธรรมี่เหลสภายในจิตนั่นแหละเป็นเหตุให้ได้รูปธรรมไม่ได้รูปธรรมเพราะฉะนั้นรูปธรรมของเราคือร่างกายของเราเป็นก่อนทุกข์ นามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารยินญาที่เป็นขันธ์ทั้งสี่เนี่ยเป็นนามขันธ์ทั้งสี่นันก็เป็นก้อนกองทุกเป็นก้อนทุกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจารณากองทุกนี่แหละพิจารณากองทุกพิจารณาก้อนทุกพิจารณากองกเราพิจารณากองทุกก้อนทุกอันนี้เป็นผลมันเป็นผลเป็นผลมาจากเหตุเพราะฉะนั้นเราพิจารณาผลควรเหยียบย่ไปหาเหตุ ผู้จีรย้อนไปหาเหตุไ อ, เอเนเน้เรื่องผลกับเหตุเนี่ยเรื่องผลกับเหตุภาษาที่บุตรท่านในฟองจากพระอธิชีนะทำเราได้เกิดแต่เหตุทาพร ะ, พระมหาสมณเจ้าตรัสเหตุแห้งตรัสเหตุให้เกิดผลเหล่านั้นและท่านตรัความดับแห่งเหตุเหล่านั้นเนี่ยพระมหาสมณท่านตรัสอย่างนี้ กัดตรงไปที่เป้าของอายะศาทั้งสี่นั่นเองคือทุกคือสมุทัยสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดถ้าเกิดให้เกิดผลคือทุกคือรูปทุกแล้วกนามทุกทั้งกายของเราีเป็นก้อนทุกเป็นกองทุกเป็นรูปทุกเวทนานี่ก็เป็นตัวทุกแต่มันแฝงอยู่กับจิตสัญญาที่เขเป็นตัวทุกเป็นก้อนทุกแต่มันแฝงอยู่ที่จิตคือผู้หลง สำคาญก็เป็นตัวทุกข์เป็นก้อนทุกข์แฝงอยู่กับจิตคือผู้หูวิญญาณก็เป็นอาการของจิตแฝงอยู่กับจิตคือผู้หู ท, ที่เป็นกองทุกข์เราพิจารณาผลนัยย้อนไปหาเหตุพิจารณาวเวทนาแล้วไปย้อนไปหาพิจารณารูปเราไปย้อนไปหาเหตุคือสนุทยัยสมุทัยเ ห, ยใหเุให้เกิดให้เกิดทูกพิจารณาวเวทนาเราไปย้อนไปหาเหตุ เกิดที่นามนามเนนี่คือเกิดที่จิตี่เรนมันแสดงออกมาที่จิตมันคอยที่จะแทรกเข้ามาทำพิจนามันคอยที่จะแทรกออกมาทำพิจนาพิจนาไปที่สัญญาพิเรกมันคอยที่จะแทรกออกมาทางสัญญาที่เรนคือตัวทรงไทยทรงไทยคือตัณหานั่ะยางเหนียวความอิ่นตัความเพียรพยายามความพยายา ความไม่รู้ไม่รู้เหตนไม่รู้ผลดินท่าเบางออกไป้ามันอะความอยากมันแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาที่สังขารแฝงเข้ามาที่วิญญาณมันแฝงเข้ามาที่ทุกแฝงเข้ามาที่เวทนาที่สัญญาที่สังขารที่วิญญาที่เดียมันแฝงเข้ามาอันนี้ถ้าหากเราเคยผ่านประสบการณ์เราพิจารณาแล้วเราจับได้เราพิจารณาแล้วเราจับได้ <t ix. S 1> เมื่อเราตาเราเห็นรูปปั๊บตาเราเห็นรูปปั๊บเนื่องจากว่าเราฝึกฝนเรามีสติเรามีสัมผัสัญญาและเรามีสมาธิทําให้จิตคือผู้รู้นี่อยู่ในเนื้อหมู่ของเราอพอระลึกถึงวิสภาคคือรูปตรงกันข้ามเนี่ยผู้ชายก็ระลึกรูปผู้หญิงผู้หญิงก็ระลึกรูปผู้ชายพอระลึกปั๊บเนี่ยถ้า ยังมีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีสมาธิ ด, าธดีอยู่มันก็เพียงจับแค่ว่าระลึกเท่านั้นเองอเทียงจับแค่ว่าระลึกเท่านั้นเองแต่ถ้าหากเราหย่อนสติหย่อนสมาธิหย่อนสมันสมปชัญญะเนี่ยกิลเลสก็แทรกเข้ามาทันทีเหมือนมันเหมือนว่ามันดูเข้ามามันกลืนเข้ามากลืนเข้ามาโดยที่เราฝึ ก, กอบรมทางเนี่ยเมืันก็ว่าเราจับที่คอเลย ถ้าเราจะเที่ยหมันก็วบางูก็ลังกัดและกลืนเข้ามาบินเข้ามาแลแ้วจับ ท, ที่คอทันทีคายออกชะงักชะงังานทันทีนบางที่เพียงแต่แสดงอาการให้ทราบเท่านั้นเองมันก็หยุดยุยตลงกแล้วดับลงกันแล้วการดับไปนั้นไม่ใช่ถับไปเฉยเฉยมันทำให้พื้นเพของจิตของเราเนี่ยเปินตื่นมากว่าพื้นเพของจิธตธรรมดาธรรมดา ตื่นมากเมื่อกัว่าสมาธิเขาเพิ่มขึ้นสติก็เพิ่มขึ้นสัมปชัญญะก็เพิ่มขึ้นนี่คือการปฏิบัติเพื่อต่อกอนกันกับกิเลสเราต้องต่อกอนกันกันในสนามตรงนี้เวทีตรงนี้เราศึกษาตรงนี้เราศึกษาภาพธรรมชาติอโดยที่เราไม่ต้องเร้นเลิกย้อนไปดูสําตำดาตาราที่เราเคยท่องเคยอะลายได้เราย้อนมาดูที่ของจีตที่จิตของเราเนี่ย รูปเราก็มีอยู่อยู่เต็มตัวเนี่ยเวทนาเราก็มีอยู่เต็มตัวสัญญาอความจําได้ความหมายรู้ความหมายของจิตนี่แหละกิ่เราจะแทรกเข้ามาได้อย่างง่ายๆเวทนาสัญญาสังขารวิญญาเนี่ยส่วนมากมันจะทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันประสานประสานกันมันจะทํางานมาประสาประสานกันมาทุกระยะไม่ใช่ว่าอันหนึ่งเกิดและอันหนึ่งยังไม่เกิดไม่ใช่ถ้าเราดูแล้วเราจะเห็น เวทนาเกิดเวทนาเกิดปั๊บส ม, มัยอย่างส ม, มัยอย่างจิตนึกขึ้นมาปั๊บนี่มันนึกขึ้นมาเกี่ยวกับร่องอะไรนึกขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องภาวะา่ะของความนึก น, นั้นมันจะเป็นมโนภาพมันจะเป็นรูปอะไรก็ตามมันจะเป็นรูปเป็นอย่ให้เรารักเปน่างให้เราชอบหรือไม่ชอบก็ตามพอเรานึกพอเราลึกขึ้นมาปั๊บนี่ความชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือเวทนาก็ตามมา ในระหว่างที่มันปรุงปรับปรุงเนื้อเนืน้อภาพนี้มากป็นสิ่งที่ดีและไม่ดีเป็นกุศลเป็นอกุศลซึ่งเป็นเรื่องของสังขารเพราะเกิดขึ้นมาพร้อมแล้วก็แล้วก็วิญญาณคือความรู้วิญญาณคือความรู้เช่นอย่างมันนึกคิดไหนไปไหนก็เป็นมโนวิญญาณเป็นมโนวิญญาณนี่เราจะเห็นว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณที่งเป็นนามาคาันมันจะทํางาน มันจะทํางานพันกันมันพันกันมาเลยประสานประสานกันมาเลยอเราชัดกับอะไรเราก็ดูไปกับอันนั้นพิจารณากับสิ่งเหล่านั้นนั้นเมื่อเราทาันียจิเลสก็ดับนั่นเมื่อเราทันจิเลสก็ดับแต่ถ้าหากเราไม่มีสมาธินะไม่มีสติไม่มีสัมผัญญั้งไม่ในสมาธิเลยจิตของเรามันเชื่อมจิตของเรามันไม่เชื่อมมันก็มันจับจับมันยาก มันไม่มีพื้นมันไม่มีบาตมันไม่มีฐานมันไม่มีอะไรเป็นโล่มาปกมาป้องเพราะอารมณ์ดวตาเราล้านขึ้นมันก็พรวดพรเข้ามาขึ้นมาทันทีทําให้เกิดราคะทําให้เกิดโทสะทําให้เกิดความรุ่งหลงอะไรสารพัดขึ้นมาได้ทันทีมันไม่มีถ้าเราจะเทียบมันกัอะไรอ่าสติสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าเราจะเทียบมันกัว่า เป็นหสิ่งม่างั้นเะคอยปิดตั้นมาให้โรคเข้ามาแทรกภายในภายในร่างกายของเราแต่ถ้าหากไม่มีสมาธิก็ไม่มีสติก็ไม่ดีส ม, มดสมรจัญญราก็ไม่มีสมาธิเขาไม่มีปัญญาก็ไม่มีอะไรมันเกิดมาเกิดพวกธาตขึ้นมาทันทีเราไม่รู้จักว่าอะไรคือ ก, กิริสมันเราไม่รู้จักว่าอะไรคิดทำเราไม่รู้จักว่าอะไรคือเหตุอะไรคือผลเพราะฉะนั้นวันคื อ, อย่เหนือ น, นั่งนอน เราก็คอยรับเก็บผลจากมันมันให้ความสุขนิดๆหน่อยๆแล้วก็ได้ความทุกข์ตามมาให้ความสุขนิดๆหน่อยๆใก้ความทุกข์ตามมาที่เราศึกษาธรรมะธรรมะภาพความจริงโดยเฉพาะครูบาอาจารย์ธรรภาคปฏิบัติเนี่ยทาให้ก็ได้ศึกษาเรื่องจริงศึกษาความจริงศึกษาของจริง เพราะฉะนั้นการที่เราจะมาตั้งใจกำนดพิจารณาดูรูปของเราดูอิสนาดูสัญญาดูสังขารเพื่อเป็นการมาไล่ไล่สูตรอันนี้ซึ่งเป็นสูตรธรรมชาติที่อยู่กับเนื้อกับตัวเราแล้วก็มาพิจารณาทำความทุกจักกับรู้กับตากับรูปกับหูกับเสียงกับจมูกกับจีนกับลิ้นกับรสกับกายกับสัมผัสกับจิตกับธรรมารมณ์ทำไมล่ะอารมณ์ทั้งหกนี้ มันเป็นมันเป็นช่องมันเป็นประตูตทั้งที่หอดถาวรอ่จาจะคุทวาทวรโตตถาวรอ่าคานัาานทวาวรกายถาวรมณโนถาวรคาว่าทวาวรแปลว่าประตูอา่ถาถาวรแปลว่าประตูหรือช่องช่องสนับอะไรประตูสนับอะไรประตูหรือช่องสลับกิจมันขอมาปรากฏในโลกกิจ สามารถออกมาปรากฏในโลกทางตาก็เป็นรูปออกมาบดออกมาปรกออกาปรกฏสัมผัสสัมพันธ์เกี่ยวกับโลกทางหูทางหูก็คือเสียงทางจมูกก็คือกลิ่นทางลิ้นก็คือรสทางกายกคือสัมผัสแล้วทาใจก็คืออารมณ์อารมณ์ที่อยู่ภายในทั้งหมดนะั้นเป็นเรื่องของสัญญาเพราะมันตกโลกไปแล้วเรียกว่าสัญญาอารมณ์จะเป็นเรื่อง เก่าก yeah. ็ตามจะเป็นเรื่องใหม่ก็ตามเรื่องไม่เคยได้ยินได้เห็นได้ฟังก็ตามพรอมาเกิดสัญญาภายในจิตที่เรียกว่ามโนมโนสัญญาเนี่ยมันก็สามารถจะวาดสามารถจะหมายหมายว่าเป็นอะไรก็ได้อหมายว่าเป็นเทวบุตรหมายว่าเป็นเทวดาหมายว่าเป็นเทวบุตรเราเคยเห็นรูปเห็นร่างอย่างไรของเทวดาเราก็จะมองเห็นอย่างนั้นหมายถึงนั้น หมายว่าเป็นเปรตหมายว่าเป็นผีเราเคยลึกกลัวอะไรมันมันก็หลอกเรามาตั้งแต่เด็กอ่ะนะจำนึกอะไรมันก็เป็นนั้นนี่เรียกว่าหมายเราไม่เคยเห็นว่ากามันมันหมายเพามันมันสร้างโเพของมันเองเรียกว่าหมายรู้หมายรู้มันหมายจําได้หมายรู้คือมันมันคาดมันเดามันหมายมันสร้างขึ้นมาเองเพรมัน มีตัวนี้ตัวรายการมากตัวสัญญาตัวสัญญาเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ไม่มีสมาธิดีไม่มีปัญญาพอเนี่ยวันคืนล่วงไปวันคืนล่วงไปเราถูกสัญญาหลอกทุกวันเวลานาทีสัญญานี่จะหลอเราได้ได้สัญญาเนี่ยเพราะฉะนั้นเราทําความรู้จักกับตา อายตนะภายในคือตาของจิตมูลิขัยอายตนะภายนอกคือรูปเสียงจิตุโพธิภัณมอารมณ์เมื่อเราทําความรู้จักแล้วเราก็มาระลึกรู้คำ ว, ว่าสติสภาวะของธรรมที่เป็นสตมิมันเป็นอย่างมันเป็นยังไงสติแปล ว, ว่าความระลึกรู้ตัวระลึกรู้ตัวนี้มันเป็นปัจจุบันเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นทีจิตมันมันสามารถจะรับอารมณ์ที่เด่นที่สุดชัดที่สุดในสติวัตสติระลึกรู้ ระลึกรู้ทุกละลึกระลึกรู้เสียงเระลึกรู้แม้แต่อารมณ์่ล่วงไปแล้วท่าเรียกว่าสติคือความพลึกได้รลึกได้ระลึกรู้เอาสติตัวนี้หละสติมันก็เกิดขึ้นจากผู้รู้นี่ยแหละ เ, เลกิดขึ้นจากจิตแต่ว่าดึงผู้รู้มาให้ชัดเจนในอารมณ์ปัจจุบันแล้วกลายเป็นสติอแล้วก็อยู่ซ้าๆให้ให้แน่นหนามันคงกลายเป็นสัมปชัญญะรู้ตัว สัมผัสฌาแปลว่าความรู้ตัวสติคือความการลึกได้ในปัจจุบันสัมผัญฌาคือความรู้ตัวรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่เรานั่งอยู่เราภาวนาอยู่เราบริกรรมอยู่เรายืนอยู่เราเดินอยู่เรากินอยู่เราดื่มอยู่เราทำเราพูดอยู่นี่คือสัมชัญญาน่ะมันรู้ตัวมันรู้ตัวว่าเราทำอะไรมันเป็นตัวที่พายเด่นชัดขึ้นมา ในเรียนชัดขึ้นหมายใจสติเป็นผู้เริ่มต้นสรรมจัญญักษ์เป็นผู้อรรมจันยักษ์เขาเป็นเป็นผู้เป็นผู้เสริให้ชัดเข้ามาให้ชัดเข้ามาสติธรมจันยักษ์ตัวนี้แหละเป็นเหตุให้เกิดปัญญาทําไมถึงว่าเป็นเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาปัญญาในภาพปฏิบัตินั้นท่านว่าปัญญาในปัจจุบันในเมื่อเราทราบอารมณ์ปัจจุบันภาพเราทราบอารมณ์ปัจจุบันภาพเนี่ย รัษาอารมณ์ปัจจุบันครับสามารถจะเกิดความรู้ทันเกิดความรู้ทันเกิดความรู้ทันในที่นี้หมายความว่ากิเลสมันจะเกิดมันก็เกิดไม่ได้เกิดเกิดความรู้ทันขึ้นมาแล้วปัญญาถ้าจะแปลตามศั์เลยว่ารู้ทั่วรู้ทั่วรู้เท่ารู้ทันรู้ทั่วรู้เท่ารู้ทันปัญญาปัดรู้ทั่ว ปา่าเปราะทั่วญาณมันมาจากปากับกับกับญาณเป็นปัญญาเป็นปัญญาเกิดความรู้รู้ทั่วรู้เท่ารู้ทันทำไมถึงรู้รู้ทั่วรู้เท่ารู้ทันเนื่นองจากว่าเราก็ตุกสติให้มายู่กับปัจจุบันทำความทาความกาหนดให้ผู้รู้นี่รู้ทันอยู่ในปัจจุบัน มีสติมีสัมผัสยันยักกำกับอยู่เป็นยหตุให้เกิดปัญญาอเมื่อปัญญาเกิดที่อะไก็เกิดไม่ได้มันเกิดไม่ได้แต่มันยังไม่หมดมันมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงให้พิจรารณาพิจรารณาให้รู้ให้เข้าใจในสังขารทั้งหลายทั้งปวงพิจารณาให้รู้รูปธรรมคือร่างกายของเราเนประกอบไปด้วยธาตุสี่ยืนั้งำไฟเพื่อทําลายความลุ่มหลง ภาวะของมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามลักษณะของอนิจจังทุกขังนาาั้นตางเวทนาก็เช่นเดียวกันสัญญาสังขารวินญาณก็เช่นเดียวกันรเรนาพิจารณาเพื่อให้รู้ให้เข้าใจถ้าหากไม่รู้ไม่เข้าใจมันก็เกิดความลุ่มหลงเมื่อลุ่มหลงมันก็ยึดมันก็ติดในระหว่า ท, ที่เราพิจรารณารูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตาม เหมือนกับว่าเป็นการทําให้ความอยาบภายในภายในเ น, น่ะแต่ความรู้หนุ่มในภายในมันกระจายไปกจานไปกระจายไปกจายไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปเหมือนอย่างเราแช่เลยเหมือนอย่างเราแช่กลอยเนี่ยกลอยมันมีรถเมากลอย ม, มีรถเมานี่พอเวลาเขาจะเขาจะกินกลอยเอากลอยมานั่งกินมาอะไรกินเขาจะมาฝานฟานฝานไปแช่แช่ไว้รถเมามันจางไป มห้มันร่วงมันจะเอาไปกระเด็นเนือ้อแล้วก็เอามาเนื่งเอามาทาอาหารเอามาทาอะไรไ ด, ได้ตามต้องการอันนี้คืเช่นเดียวกันในระหวที่เราพิาาจารณ า, าให้เข้าลักษณะของอันนี้จากทุกข์ของนันต่าภาวะแห่งความรุ่มหลงต้จะมีสติมีสัมผัสยั้งยิงกกับพิจารณาไปพร้อมความรุ่มหลง ซึ่งเป็นผิดเป็นภัยที่อยู่ภายในจิตมันกรจะลงไปมีจะลงไปจะลงไปจืดลงไปจืดลงไปจืดลงไปจนเหลือแต่ธรรมชาติคือภาวะของธรรมชาติภาวะของธรรมชาติก็คือผู้รู้ที่แหละเป็นผู้รู้มีสติรู้มีสัมผัสจิรู้มีปัญญากํากับรู้รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาจน กิเลสทั้งหลายนั่นพอขึ้นมาไม่ได้นอกจากพอขึ้นมาไม่ได้แล้วเราก็พยายามแช่แช่มันจนจ า, ไจาไจงไปจางไปจืนไปจืดไปแล้วก็หมดไปถูกลบเลือนรายจางหายไปเหลือเหลือแต่สิ่งที่มีรสชาติอร่ออร่อยเช่นอย่างกรอนก็คือจะเอาไปใส่อะไรฮะจะเอาไปใส่น้ำการจะเอาไปคลุกเกลือจะเอาไปคลุกมะพร้าวเพื่อจะทํำยังไงให้มีรส อร่อยเราก็ทําสามารถทําได้ที่รับรับรัชาติของกิตที่สามารถจําแรกพิ่สงของความรุ่งหลืองออกไปได้นั้นความสุขความเจริญภายในจิตนั่นเลยเป็นรสอรอ่เป็นความสุขความสุขอันนี้ท่านพูดไว้ว่าบรมสุขบรมสุขพระบรมสุขับขบข่บรมสุขบรมสุข สุขที่ไม่ต้องมายุง่งมาวุ่นวายกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงรูปประธรรมก็สัตว์ตัว่ารูปประธรรมคือสัตยธรรมพรากฏตามมีอยู่เป็นตามธรรมชาติของมันเวทนาก็คือสัตยธรรมปรากฏอยู่ตามภาวะเวทนาของมันเกิดขึ้นตามภาวะความเป็นเวทนาขันของมันตามภาวะความเป็นสัญญารักขัของมันตามภาวะความเป็นสัญขารัขันของมัน ตามภาวะความเป็นวิญญาณขันของมันที่เด็ดไม่แท้เข้ามาทำไมถึงไม่แทรกเข้ามาเนื่องจากจิตดวงนี้ผู้รู้มีรู้แล้วเข้าใจแล้วสำร่อบเอกแล้วพิษสมไปในจิตออกหมดแล้วเนี่ยมันมีผลเนียน่ยในสองเกี่ยวโยงกันอย่างนี้นะเรื่องสมาธิเพื่อปัญญาสมาธิตะลองสมาเป็นเพื่อเป็นบาเป็นฐานปัญญาพิจารณาใกล้ครุย เหมือนว่าเป็นน้ําเอามาแช่เอามาแช่มาซักมาพอกมาชั ก, ม า, ม, าชกมาล้างมาอะไรให้พิษสงที่มีนอยู่ภายในจิตคือความรุ่มลงอันเป็นคริสเยดของคริสเลนตัะหามัทสวรรคให้มันจีดจางจีดไปจีดไ ป, ไปจางไปจางไปเบาไปเบาไ ป, ไปหมดไปในที่สุดอพิษสงหมดไปเหลือแต่กาเหลือแต่กากากคือรูปเปรียนาฏยัญญาที่ขาดอยูอย่อันเป็นกา ท, ทําไมจึงว่าเป็นกา เพราว่ามันเป็นกาด <c oughs> เป็น <ations> เดือนของกิเลสอันนี้เป็นผลิตผของกิเลสนะในเมื่ อ, องงเราไปทําลายพิษสองมันนะเราไปทําให้ยางมันจางหายหมดไปแล้วเนี่ยมันก็เหลืออยู่มันก็เหลือถ้าเป็นเม็ดนี่ถ้าเป็นเม็ดก็เมืนว่าเนื้ออ่อนเอืมอานนี่มันหมดไปแล้วมันหายไปแล้วยางะไรเนื้ออ่อนที่มันจะไปเจริญงอกมรซึมมาอีกมันหมดไปแล้วมันจางไปแล้วก็เหลือแต่กากเท่านั้นเอง ไปตกที่ไหนไม่งอกไม่งก็คือหมดพวาหมดชาติะหมดพวาหมดชาติที่จะไงอกงา ม, ไ, มได้นี่มันเกี่ยวข้องกับการที่เรามาชำระจิตให้หมดจากสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยที่มีบอภายในจิตของเราเนีเพ ร, ะะเราะฉะนั้นเราพัฒนามานเข้าแต่เรื่อ ง, างาการให้ทานก็ให้ทานนั่คือการรู้จักเสียสละของของที่มีข้างนอกและทานก็ให้ผลผลของทานนี้ก็ทําให้จิตของเราเี แช่มชื่นเมื่อบานมีความอบอุ่นมีความหวังมีความแช่มชื่นมีความเมื่อบานมีความรู้สึกว่าเรามีความเรามีมุ่นเรามีคพลังความดีเพราะฉะนั้นคนทั้งหลายทั้งปวงจึงยิ่งหยุดานการให้ฐานนี้มันเกิดขึ้นได้จากการที่เป็นผู้มีสิจใจเพื่อไปเพราะฉะนั้นจึงมีผลต้องเอามาที่จิตทำให้จิกลายเป็นจิตที่ดีขึ้น เป็นการกระตอกทำให้เกิดเป็นพื้นเป็นบาดเป็นถาขึ้นมาจากนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มติดตั้งกิเลนที่มันทะละออกม า, กาทางกายทางวิญญได้ด้วยการรักษาศีลคือเป็นศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสิบของสมณีนศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระสงฆ์ศีลแต่ละข้อแต่ละข้อพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเอาไว้ เพื่อการทะลักเอื้อให้มาเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่องแต่ละช่องแต่ละช่องที่ท่านปิดเอาไว้กั้นเอาไว้เพื่อไม่ให้อ่าคนอุบายความชั่วของกิเลสที่มันแทรกมาแต่ละช่องแต่ละช่องแต่ละช่องเราก็ปิดปิดด้วยอำนาจของบัญญัติอาศัยบัญญัติที่ว่าเป็นสิ่งเป็นข้อที่ถือกำกับอ่ากำกับเพื่อไม่ให้เป็นการเสริมเข้าไปเข้าไปที่จิตเนื่องจากที่เลสมันแรงที่จิต ในเมื่อเราปิดกั้นโดยจิตได้ اس اس แล้วท่างกับปีก็ลอ้อมเข้าไปที่จิตคือจับจิตให้อยู่เอาจิตให้ไปรับความสงบจิตไม่สงบเนื่องจกว่าจิตมีกิเลสอ่าจิตมีกิเลสจิตจึงไม่ได้รับความสงบจิตไม่ได้รับความสงบไม่ได้รับความสงบเนื่องจากว่ามีสิ่งเหล่านั้นอ่ะก่อขวาขึ้นมาท่านสิตีไปที่จิตให้เข้าล้างจิตได้รับความสงบที่เรียกว่าสมาธิอ่าโดย ให้เราเอาสติเอาฉันเป็นฉันยะซึ่งเป็นอาการของจิตนี่นแหละมากำกับกจิตให้จิตอยู่ยกับอารมปัจจุบันจนจิตด้รับความสงบเมื่อสงบแล้วก็มาพิจารณาเรื่องที่เราเกี่ยวข้องผูกพันธภายในจนิตเพื่อทำลายความรุ่มหลดัจนเห็นเห็นเหตุเห็นผลเห็นต้นเห็นต่ออ่าเป็นเหตุนามาซึ่งซึ่งความทุกข์ที่เราเรียกว่าซุ้มไทยคือเหตุให้เกิดทุกข์เนี่ย สรุปแล้วก็คือกิเลสรัหาสวะทั้งหมดนั่นแหละกามาตัณหาภาวะตัณหาพิภาวะตัณห า, มหาเมื่อเราแม้เมื่อเในเมื่อเราตั้งท่าโร่อยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเทินั้งวันมันสแสดงพิษสงออกมาไม่ได้เหมือนกับว่ามันนึกละแสดงตัวออกมาจากนั้นแล้วเราก็ไปแยกแยกแยกแยกว่ามันหลงด้วยเหตุไดแยกแยกสมาธิกายแยกแยกสมาที่เวทนาสัญยานต่างกันยังไง เมื่อเราทราบเหตุทราบผลขอ ง, องมันเราก็จุดจางหายไปก็ถึงที่สุดถึงความบริสุทธิ์ผู้รู้องนั้ น, นเป็นผู้บริสุทธิ์บริสุทธิ์เนื่องจากเขาเข้าใจหมดแล้วโอกาสที่จะยึดก็ไม่ยึดโอกาสที่จะถือก็ไม่ถือถือ ม, มันด้วยปานกลานี่ก็ถอนได้ถอนไ ด, ด้หมาะพราหมดะชาติสังขารก็เป็นสังขารบริสุทธิ์ เป็นสังขารที่เรียกท่านเรียกว่าวิสังขารไม่เป็นสองกับสีใ่ใดแต่ถ้ายังเป็นสองนั้นทขาเรียกสังขารเมื่อจำแรกขาดตาออกมอแล้วก็วเป็นวิสังขารสิ่งที่เป็นอันเดียวท่านไม่เรียกว่าสังขารสิ่งที่นับตั้งแต่สองขึ้นไปสามสี่เป็นรอดเด็นทานเรียกว่าสังขารเพราะสังขานี้มีการเข้าไปรวมกันเมื่อมีการเข้าไปรวมกันแล้วก็มีการแ ย, ยกกันแต่ถ้าบริสุทธิ์แล้วเอกโทธรรม ก็เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์นี่พวกเรามีธาตุรู้ด้วยกันทุกคนตอนนี้พวกเราไม่ไม่หมดจดไม่บริสุทิ์พวกเราเข้ามาชำระขัดกลาให้บริสุทธิ์ผลคือความสุขอ่เียยจะความทุกข์ความทุกข์เวลามันเกิดขึ้นเนี่ยมันเหลืออดเหลือทนจริงๆเราก็พิจารณาดูสุก เ, สรเรื่องยุบยุบยิ่งเรื่องธารพัดนอกจากทุกข์กับอารมณ์ต่างๆภายในจิตแล้วมันเรื่องทุกข์ของความเจ็บความปวดป่วยให้ ทุกสสารน่ะอย่างที่ท่านกล่าวว่าชาติเป็นทุกขาชราเป็นทุกขามานำปีตุขทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็ดทุกตายเกิดทุกแก่ทุกเก็ดทุกตายเนื่องจาว่าเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็ยึดเมื่อยึดอย่างไรแล้วก็เกิดอย่างนั้นที่เขาเรียกอุปาทานมีอุปาทานแล้วก็มีภพมีภพแล้วก็มีชาติเราไปเกิดตามที่เรายิดนั่นแหละไปเกิดกำเนิดแล้วเกิดเป็นกําเนดนั้นก็อยู่ไปจนกว่าจะครบอายุไข ตายอีกไปเกิดอีกตายอีกไปเกิดอีกความเวียนว่ายตายเกิดท่านเรียกว่าสังสาระสังสาระเวียนว่ายตายเกิดไปในวัฏสงสารไม่จบใน่สิ้นนี่แหละคือความเป็นไปของของคนความเป็นไปของสัตว์ความเป็นไปของกิตวิญามันเกิดขึ้นด้วยกิเลสาตสัมภ า, า, ารถึรนงนี้วิธีปฏิบัติกำจัดชำระสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปก็ตามหลัก ัาสนะธรรมที่รูทธจ้าท่งสอนอตามอริยมรรคย่อแบบนั่นแหละเมื่อเข้าหลักเข้าเข้าหลักนี่เมื่อเข้าหลักเข้าเกณฑ์เข้าสู่องคใหมถึงหลักของอริยสัจสี่เราจะเริ่มรู้เรื่องเข้าใจถึงสาเหตุต้นตอรากเน่าขั้นมูลฐานอย่างแท้จริงเราก็สามารถจะเอาออกได้นําออกได้แล้วก็พ้นทุกพ้นโทษพ้นเวรพ้นภัย ในวัตถสงสารพ้นเกิดพ้นแก่พ้เจ็บพ้นตาอันนั้นคืออุดมคติอันูงสุดของพวเราสีเทาไรต้องควรเกิดขึ้นจากอะไรปีใหม่ปีเก่าเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากความรู้หลงรำและไม่รู้สมมติขึ้นมาแล้วเราก็ติดสมมติมือนอย่างลงกาที่ว่ามีแต่เมื่อจะแจ้มมื้อจะแจ่มเมื่อจะแ่มปีใหม่ปีเก่าไหนเลนโมคะลากรุภามีนา จนถึงเดือนธันวาคือสมมุติตั้งขึ้นแล้วก็เปิดหมดปีหนะึ่งรอบหมึ่งของหมดปีหนะึ่งรอบหนึงสมมหมดปีหนึ่งเราก็สมมติ เ, เป็นปีเก่าสมมติ เ, เป็นปีใหม่ปีใหม่แต่เราก็จําเป็นที่จะต้องเรียกตามสมมตุติเพื่อมให้มันมันมันมันสับสนเหมือนอย่างอันนั้นเครียกคนอันนี้เราเรียกชายอันนั้นเป็นผู้ชายนี้เป็นผู้หญิง คนนั้นชื่อแนละ้วคนนี้นชื่อนี้เราตั้งเข้าไปค่อนสมมุติข่อความสมมุติอันนี้เป็นเหตุให้เราสุดสลายาร่างกายรู้ในการเข้าใจกันไม่งนั้นก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันลำบากแต่เราก็รู้ว่าสมมติสมมติติสัท์ก็ให้เรารู้ว่าสมมติติสัท์การศึกษาการปฏิบัติศึกษาปฏิบัติเพื่อไม่หลงทั้งสมมุติติสัท์เพื่อไม่หลงทั้งปรมาทิตย ธรรมศาสตร์ก็คือลวดลายของกิเลสทั้งหลายทั้งปวงมันเลยที่มันอยู่ลึกอยู่ลึกลึกไปภายในจิตนะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราศึกษาเรื่องเรื่องที่เรื่องทำละเอียดนึกเข้ามาความทั้งปวงแล้วเรื่องเหลานี้เป็นเรื่องพื้นพื้นธรรอดาเขามีก็มีไปเขาเป็นก็เป็นไปเขาอะไรก็อะไรไปในเมื่อเขาอย่างไม่รู้ไม่เข้าใจเ้วทําไปแต่ถ้าหากเรามีความรู้เรามีความเข้าใจเราก็รู้เราก็เข้าใจ เราก็รู้เข้าใจที่ตัวของตัวเราโดยที่เราไม่ไปทับของโจรตีอะไรใครเนื่องจากว่าเราอยู่แบบผู้รู้ผู้รู้ผู้เข้าใจอยู่กับความสะดวกสบายของเราถ้าหกเรายังเดือดิ้นไปตามเขาก็คือเรายังไม่มีเพอร์เซียนอะไรที่จะลดที่จะรับอะไรท้ายบ้างเลยมันก็เป็นเหตุให้เราเนี่ยลุ่มหลงไม่หยุดไม่จบนั่นแหละเพราะทุกคนเนาะ